จะพูดในเรื่องของบุญอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวไว้ว่าบุญคือความว่างเปล่าบาปคือความวา้าวุ่นใจนี้เป็นธรรมะของหลวงพ่อปีชาท่านได้สอนเอาไว้ลูกศิษย์ที่วัดเขาวิติสุกัโตทุกคนจะต้องเคยได้ยินบุญคือความว่างเปล่าบาป คือความว่าวุ่นใจบุญคือความว่างเปล่านั้นก็เปรียบเสมือนความว่างเปล่าเปรียบเสมือนอากาศอากาศที่เราไม่สามารถจับต้องได้เวลาเรามาทําบุญเนี่ยมาทําวัดมาสวดมนต์มาปฏิบัติจเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเรามาด้วยความเต็มใจมาด้วยความที่ เราไม่ได้หวังอะไรเราไม่ได้หวังว่ามาทําบุญมาสวดมนต์มาทาําวัดมานั่งสมาธิแล้วเราจะต้องสอบให้ผ่านเราจะต้องร่ํารวยถูกหวยหน้าที่การงานเราจะต้องเจริญไม่ใช่อันนั้นคือทําด้วยความหวังในการที่เรามาสวดมนต์เนี่ยก็เหมือนได้เป็นการฝึก ในการทำสมาธิอย่างหนึง่งก็คือการเป่งวาจาอันเป็นมงคลก็คือพระธรรมของพระพุทธเจ้านั่นเองอันนี้ก็เปรียบเสมือนการทำบุญอย่างหนึง่งก็คือการปฏิบัติสมาธินั่นเองส่วนบาปคือความว้าวุ่นใจเนี่ยบางทีเนี่ยเวลาเราไปทาอะไรไม่ดีไม่ดีมาอย่างเช่น เราอาจจะไปขโมยของหรือเราอาจจะไม่เชื่อฟังในคําที่พ่อแม่พูดอะไรเราอาจจะไม่เชื่อฟังพอไม่เชื่อฟังเราก็เถียงท่านพอเถียงท่านท่านก็เสียใจบางคนถึงอาจท่านทะเลาะกันไปเลยพ อ, อเราก็จะมานั่งเครียดทีหลังละใจเรามันก็วาวุ่นละอันนั้นเนี่ยคือบาปคือความวาวุ่นใจนั่นเอง ดฉะนั้นในการที่เรามาส่วนมนต์ประเพฤติปฏิบัติเนี่ยก็เพื่อทําให้จิตใจเราเนี่ยเกิดความสงบทําจิตให้ว่างสบายลืมเรื่องทุกอย่างไปชั่วขณะหนึ่งก่อนก็คือช่วงที่เรามาส่วนมนต์ทำวัดและนั่งสมาธินั่นเองในเรื่องบุญคือความว่างเปล่าเนี่ยอาตมาก็มีเพื่อนมีเพื่อน เด็กสมัยเนี้ยวัยรุ่นสมัยเนี้ยจะมีข้อสงสัยเยอะจะมีเงื่อนไขเยอะในการจะทําอะไรเนี่ยอย่างการทําบุญเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขแล้วว่าทําแล้วมันจะได้บุญหรือเปล่าในการทําบุญแต่ละครั้งเนี่ยเนี่ยถ้าเราทําอย่างนี้มันจะได้บุญจริงไหมอ่าก็จะเล่าให้ฟังยกตัวอย่างเปรียบเทียบ เป็นอุปมาอุปไมยก็คือว่าทําไมเขาบอกว่าทําไมทําไมเวลาไปทําบุญแล้วชีวิตไม่เห็นจะดีขึ้นเลยเพื่อนบางคนถามว่าหรือลูกศิษย์บางคนถามว่าทําไมไปทําบุญเนี่ยทําไมชีวิตเขาไม่เห็นจะดีขึ้นไม่ทําดีกว่าทําไปก็เท่านั้นแต่จริงๆอย่างนั้นเนี่ยไม่ใช่ละอย่างที่บอก บุญคือความว่างเปล่าเราทำเนี่ยเราต้องไม่หวังไม่หวังว่าทำแล้วเราจะได้นู่นได้นี่ทำแล้วจะต้องมีข้อแลกเปลี่ยนอย่างนั้นเนี่ยไม่ใช่แต่บุญเนี่ยเวลาเรามาทำด้วยความบริสุทธิ์ใจเนี่ยมันสำเร็จสำเร็จบุญอยู่แล้วแลทีนี้เขาก็ถามมาอีกว่าเอ้าแล้วอย่างไปทำกับพระเนี่ยอย่างเขาเห็นวัยรุ่นเด็กวัยรุ่นสมัยเนียเหมือนเราเห็นตามข่าว ตามหนังสือพิมพ์เนี่ยเขาจะมีข่าวเสี ย, สยหา ย, หายเรื่องของพระมากมายไปหมดเป็นข่าวมันข่าวรายวันไปแล้วอจนวัยรุ่นสมัยเนี่ยก็คือตัวอาตมาเนี่ยเพื่อนๆเ น, เนี่ยก็ยังมีพวกวัยรุ่นเยอะเขาก็จะไม่ค่อยอยากที่จะทำบุญกันเนี่ยเขาก็เห็นเรามาเป็นเจ้าอาวาสเนี่ยเขาก็จะมาถามถามว่าเนี่ย อย่างบางทีเราบอกบุญเขาเขาก็ไม่รู้ทำไปมันจะได้บุญจริงหรือเปล่ า, เ, าเขาก็ไม่ไม่ค่อยอยากจะทำเท่าไหรไ่เลยต้องอธิบายเปรียบเทียบให้เขาฟังเพราะว่าคนที่ไม่ค่อยเข้าวัดเนี่ยเขาก็จะเข้าใจในธรรมได้ยากกว่าคนที่เข้าวัดบ่อยๆก็จะเปรียบเทียบให้เขาฟังอย่างนี้ว่าเนี่ยเขาเขาถามอตา ม, มามาบอกว่าเนี่ยเขาเคยเห็นพระที่ ปฏิบัติตัวไม่ดีเออพระปฏิบัติตัวไม่ดีเลยแล้วเขาไปทําบุญกับพระอย่างเงี้ยเขาจะได้บุญไหมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกบุญคือความว่างเปล่าเราทําไม่คิดอะไรเนี่ยเราได้บุญอยู่แล้วเออเปรียบเทียบก็คือว่าเหมือนเรามีเงินเหมือนเรามีเงินอยู่ล้านหนึ่งเออเปรียบเทียบ ว, ว่าเราจะทําบุญเนี่ยด้วยเงินล้านหนึ่งที่เรามีเปรียบเสมือน เรามีเง <LEY> ินล้านเราจะไปซื้อรถยนต์คันหนึ่งซึ่งในการที่เราจะไปซื้อรถยนต์คันหนึ่งเนี่ยในการที่เราจะไปเลือกเนี่ยไอ้ร้านที่มันมีขายเนี่ยมันก็จะมีเยอะแยะมากมายในท้องตลาดมีหลายร้านมากมายไปหมดขายรถยี่ห้อเดียวกันเดะเหมือนกันทุกอย่างรุ่นเดียวกันทุกอย่างสีเหมือนกันทุกอย่างร้านขายก็มีเยอะแยะมากมาย ก็เปรียบเสมือนวัดอย่างวัดต่างๆที่เราไปทําเนี่ยไปถึงมันก็เหมือนกันทุกวัดหน้าตาเหมือนกันทุกวัดเข้าไปก็จะมีโบสถ์ในโบสถ์ก็มีพระประธานคนที่รับสังฆทานก็จะมีพระรับสังฆทานจะมีตู้รับบริจาคทุกอย่างเหมือนกันเหมือนโชว์รูมรถที่เราจะไปซื้อเนี่ยพกเงินล้านเข้าไปอาจจะไปซื้อรถคันหนึ่งแต่ว่า ไอ้ร้านมั่งมายนั้นน่ะหน้าร้านอันสวยงามวิจิตรการตาเนี่ยเราไม่รู้ว่าเจ้าของร้านอ่ะเป็นยังไงเออเจ้าของร้านเนี่ยก็เปรียบเสมือนพระบ เ, เจ้านั่นเองอ่าอย่างบางร้านเนี่ยหน้าร้านสวยงามวิจิตรการตาเลยโอ้โหดูดีมากดูทันสมัยดูแบบดูใหม่ดูน่าใช้บริการมากแต่เจ้าของร้านนั้น เป็นยังไงเราเอาเงินหนึ่งล้านเนี่ยไปซื้อสมมติเราไปซื้อล้านแรกเนี่ยเจ้าของไม่ดีเลยคือเจ้าของปฏิบัติกับเราไม่ดีเลยขายก็พูดจาก็ไม่เพาะไม่จริงใจสมมติเราไปซื้อล้านเนี่ยร้านแรกเนี่ยหนึ่งล้านได้รถยี่ห้อนี้ออกมาปุ๊บกับอีกคนหนึ่งทำหนึ่งล้านเหมือนกัน เข้าไปร้านที่สองก็หน้าร้านสวยงามเหมือนกันแต่ว่าเจ้าของเนี่ยดีคืออุปกรณ์ในรถเนี่ยพวกเครื่องยนต์อะไรต่างๆเนี่ยเอาเงินมาซื้อรถรุ่นนี้ก็ใส่รุ่นนี้ให้ใส่ให้อุปกรณ์ อ, ออฟชั่นเนี่ยแถมมาให้ครบเลยแถมหมดทุกอย่างใส่เทอร์โบเพิ่มให้อีกต่างหาทําให้รถมันเร็วขึ้น ส่วนไอ้ร้านแรกเนี่ยร้านหนึ่งเหมือนกันแต่เครื่องเนี่ยก็เ้าจะมาซื้อเครื่องรุ่นนี้ก็ไปเอาเครื่องรุ่นอื่นมาใสอ่อุปกรณ์อะไรต่างเนี่ยของดีๆถอดออกหมดโยมเอาเงินไปจะไปสั่งรถรุ่นนี้ถอดออกหมดอะไรที่มันเป็นรุ่นนี้ใส่ของถูกๆของเก่าๆเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเปรียบเทียบให้ฟังสอง้านเนี่ยร้านแรก ที่เจ้าของไม่ดีเนี่ยก็คือทากันรถเราอย่างนี้เราก็ไม่รู้ไม่รู้หรอกแต่ล้านที่สองออกมาได้รถออฟชั่นเต็มครบทุกอย่างเราก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้สองคันเนี้ยมันจอดด้วยกันเนี่ยมันต่างกันยังไงแต่ว่าถ้าเกิดเรามาเปรียบกันจริงๆในผลผลของมันเนี่ยเหมือนกับว่าเรามีสองคนเนี่ยคนแรกทำงานแบบเดียวกัน คือต้องมีการใช้รถในการเอาไปซื้อวัตถุดิบเอาไปขายของก็วิ่งในระยะทางเดียวกันไอคนที่สองก็เอาร้านที่ซื้อร้านที่เขาให้ของดีๆมาใส่อุปกรณ์ครบตามที่ลูกค้าต้องการวัตถุประสงค์ว่าจะรถรุ่นนี้รุ่นนี้ขับไปเนี่ยในระยะระยะทางที่เดียวกันคือระยะที่เท่ากันเนี่ย ไอคันที่ซื้อร้านที่สองเนี่ยมันขับไปกลับมาเรียบร้อยละซื้อของขายของเรียบร้อยละสําเร็จผลเก็บเงินกําไรได้เป็นกอบเป็นกรรำส่วนไอร้านแรกเนี่ยเครื่องก็เก่าอุปกรณ์ก็ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ลูกค้าต้องการไอร้านที่สองมันไปกลับมารอบหนึ่งละไอร้านแรกคันเดียวกันเดะรุ่นเดียวกันเดะยังกลับมาไม่ถึงเลย ขาไปอย่างเดียวยังไม่ทันขากลับเพราะฉะนั้นเราลองคิดดูสิว่าเนี่ยไอคนที่2องเนี่ยมาใช้บริการร้านนี้ตลอดคนแรกก็ใช้บริการร้านนี้ตลอดในระยะเวลานา น, านๆเนี่ยไอร้านที่สองเนี่ยโอ้โหขายได้เป็นกอบเป็นกำเกิดผลกําไรง่องเงยเห็นเงินเป็นเม็ดเป็นหน่วยส่วนร้านแรกเนี่ยเทียบกันก็เห็นได้ชัดเขวิ่งแย่สิบเที่ยวแล้วไอร้านแรก เึิ่งได้ห้าเที่ยวสมมติร้านแรกกำไรร้อยหนึ่งร้านที่สองอาจจะ ก, กำไรห้าสิบบาทโดยที่ต้นทุนในการซื้อรถเท่ากันเด๊ะหนึ่งล้านบาทอ่าก็เปรียบเทียบเหมือนกับการทำบุญอย่างที่โยมเขาถามไว้ตอนข้างต้นว่าทำไมมันจะได้บุญไหมเนี่ยทำเห็นพระที่เขาปฏิบัติตัวไม่ดีเนี่ยก็เปี่ยนเหมือนกัน แบบเหมือนพระที่ไม่รักษาศีลไม่มีการปฏิบัติกิจของสงฆ์ก็เหมือนกับล้านแรกนั่นเองคือโยมอาจจะเอาเงินมาบอกว่าเอาจะมาทําอย่างงน้นอย่างนี้จะฉันต้องการจะจุดประสงค์คืออยากได้อย่างนี้อยากทําบุญอย่างนี้แต่พระเอาเงินไปอาจจะเอาไปทำอย่างอื่นซึ่งไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ เอาไปทําในสิ่งที่มันไม่ใช่บุญไม่ให้กุศลนั่นแหละมันก็บุญมันก็อาจจะได้น้อยหน่อยตามส่วนลงไปส่วนร้านที่สองเขาเอาเงินไปสั่งว่าเนี่ยจะเอารถยี่ห้อนี้รุ่นนี้วัตถุประสงค์โยมจะมาทําบุญจะทําแบบนี้แบบนี้อ่าเจ้าของร้านก็เอาไปทําตามวัตถุประสงค์ก็เหมือนพระพรเอาทําตามวัตถุประสงค์บุญมันก็จะเกิดเร็ว เกิดเห็นผลทันตาแต่ว่าคําตอบที่อาตมาก็ได้ตอบเข้าไปว่าเนี่ยไม่ว่าจะทำร้านไหนเนี่ยมันก็ได้บุญเหมือนกันก็คือธุรกิจถ้าเทียบกับรถในการใช้ทำธุรกิจเนี่ยก็คือจะเห็นผลเหมือนกันขายได้เหมือนกันได้กาไรเหมือนกันแต่อาจจะเห็นไม่ชัดเจนเท่ากับคนที่ไปซื้อรถในร้านที่สองมามันจะเห็นชัดเจนเลย ซึ่งอาตมาก็ได้ลองมานั่งคิดอันเนี้ยมานั่งคิดเปรียบเทียบว่าเออทำไมหลวงพ่อเนี่ยก็คือหลวงพ่อเราเนี่ยหลวงพ่อปีชาเนี่ยทำไมคนไปทำบุญกับท่านเยอะแล้วทำเนี่ยบางคนทำทีโอ้โหเราเห็นแล้วเรายังตกใจว่านี่ททำไมโยมเขาทำบุญเยอะแล้วมันมาทำกันได้บ่อยๆเออก็แปลว่าเขาคงจะทำแล้ว เกิดอันนี้สงเกิดผลของบุญที่ได้ทำก็คือเขาอาจจะทำบุญไปแล้วเขาก็ทาการค้าอะไรก็าอาจจะได้กาไรเยอะก็เลยมาทำเยอะแล้วก็มาทําบ่อยออันนี้คือเห็นได้ชัดเราก็เคยสงสัยสงสัยจริงๆทำไมคนทาบุญเยอะจังทำกับหลวงพ่อเนี่ยทำเยอะแล้วก็มาทําบ่อยด้วยเออ ม, มันคงเป็นอย่างนี้นั่นเองอืมมันก็ เป็นเรื่องที่แปลกเนี่ยก็จะให้คำตอบโยมที่เขามาถามเนี่ยก็เขาก็ได้คำตอบไปเขาก็เข้าใจในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็บอกว่าจ็จ ะ, จะทาเนี่ยก็ทาทาไปเถอะที่ไหนก็ได้เพียงแต่ว่าเขาก็ถามว่าเอาโลกอย่างนี้เกิดเขาไปเข้าร้านผิดก็เหมือนเขาไม่รู้เนี่ยว่าเข้ามาทำวัดแล้วไม่รู้ว่าพระ ทำยังไงเอาเงินเขาไปทําอะไรหรือเปล่าเออมันก็เป็นเรื่องของ <c oughs> เรื่องของกรรมเขาเรียกบุปกรรมวิบากรรกรรมและเคาะกรรมร้านให้ซื้อรถมีตั้งเยอะแยะมากมายทําไมมันต้องไปเข้าร้านนี้เออเราก็ลองคิดดูมันก็เป็นเรื่องแปลกเหมือนกันเนี่ยมีร้านเยอะแยะเราต้องซื้อร้านเนี้ยเพราะอะไรก็ไม่รู้ส่วนอีกคนนึงก็มีร้านเยอะแยะ ถ้าเข้าร้านที่สองอ่าออกมาขนมันก็เห็นไม่ชัดแต่มันก็เป็นเรื่องที่มองเห็นไม่ชัดไม่สามารถมาชี้วัดได้แต่คือเปรียบเทียบให้ฟังว่ามันเป็นเรื่องของบุญและกรรมด้วยคือบุพกรรมเนี่ยเดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยจะมาเล่าให้ฟังหลวงพ่อเคยบอกว่าคนเราเนี่ยทําบุญร่วมขันตัก บ, บานร่วมกันก็ต้องมาเจอกัน ทำกรรมไม่ดีต่อกันก็ต้องมาเกิดมาเจอกันในสภาวะที่ไม่ดีอาจจะมีทะเลาะ ก, กันเกลียดกันโกงกันอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของบุญของกรรมเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราญาติโยมที่มาได้ทำวัดปฏิบัติในวันเนี้ยก็ถือว่าโชคดีแล้วเราอาจจะเคยมีบุญ ก, กรรมที่ดีต่อกันก็ได้มาสร้างบุญสร้างกุศลได้มาทวัดสวดมนต์ ก็ทำความดีต่อไปยังไงเราต้องเห็นผลในวันข้างหน้าแน่นอนก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆเด็กๆที่ได้เข้ามาสวดมนต์ทำวัดทุกวันก็ขออนุโมทนาสาธุมานาที่นี้ด้วยก็เป็นเวลานสมควรก็นิมนต์ถอนสมาธิ